สิจิตเขาหลุดของเขาเองวงเล็บเปิดสิหมกราคม25งพหในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีเก้าวงเล็บปิดใจมันเดินของมันได้เองคือในขณะที่เราไม่ได้เข้าไปปรุงไปแต่งใจมันถอดถอนตัวเองออกมาใจของเราที่มันถอดถอนออกจากโลกไม่ได้นี่เพราะมันเข้าไปปรุงไปแต่งเพราะเราเว้นการทําอะไรทั้งหมดเว้นการทํางานภายในเด็ดขาดลงไปใจมันก็จะหลุดออกมา ถ้ามันมีกํำลังมากเข้ามากเข้าจะเกิดมักเกิดผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราทำกรรมฐานมันก็คือทำต้องทำไปก่อนทำทำทำไปถึงจุดหนึ่งมันหยุดของมันเองตรงที่มันหยุดโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจหยุดก็คือการทำงานอยากหยุดแล้วตั้งใจหยุดนี่ใช้ไม่ได้แกล้งหยุดแต่ถ้าเราตามรู้ตามดูเราใจเราเว้นขาดจากการปรุงเพิ่มจิตมันทางานไปแล้วใจเราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะ มันจะคลายตัวของมันออกเองเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มากผลจะเกิดขึ้นจะต้องเว้นขาดจากความจงใจจิตเขาหลุดของเขาเองเขาคลายของเขาเอง